ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระปุธยิญาณได้นำเสนอวิริยะบา ร, รมีสืบต่อกันมาโดยลำดับแล้วก็ค่อนข้างนานตอนนี้เป็นเพราะว่าเรื่องของความเพียรพยายามที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง เป็นพลังขับเคลื่อนนำคนไปสู่ความสาเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์บางครั้งเราพบพระพุทธธรมรมดัทติสรงแสดงเอาไว้เช่นว่าวายาเมเทวปริโสยะวะตาตัสสานิปดาบุคคลควรใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสาเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการ ก็ความเหล่านี้ปรากฏเป็นรูปของพระพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นนันมากที่นำมาศึกษาจำทรงกันค่อนข้างแพร่หลายเวลานี้ที่น่ายินดีประการหนึ่งก็คือรายการโทรทัศน์ช่องเจ็ดออก็นําอาพุทธศาสนาสุภาษิตมาอ่านบรรละกคำบรรบทกันนะครับ แต่ว่าบทแต่ละบทที่จริงก็เป็นสภาสิทธิ์ที่มีความสมบูรณ์เพียงแต่ว่าผู้ฟังจะจาได้หรือไม่เท่านั้นเขาก็อ่านปิดรายการรายการข่าววันในที่นี้จะได้นำพระพุทธห ร, รัดที่ทรงอธิบายขยายความเพียรเป็นรูปของความเคลื่อนไหว มันมีความเป็นเหตุและก็ความเป็นผลอยู่ในที่เดียวกันจะนงแสดงว่าคนขยันย่อมไม่พลาดประโยชน์ซึ่งมาถึงตามการประโยชน์นั้ น, นเป็นผลแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่มีอุบายวิธีที่จะยึดกลุ่มเอาประโยชน์ตรงนั้นประโยชน์เหล่านั้นก็จะผ่านพ้นคนนั้นไป คนนั้นก็จะสูญเสียประโยชน์ตอนนี้คติไทยเราก็มีคำสอนในแนวที่กระตุ้นเตือนให้ทำงานให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆเช่นว่าพายเถิดพ่อพายตลาดจะไหวาสายบยาวญจะเน่าเป็นการกระตุ้นเตือนในรีเรล่งใช้ความเพียรพยายามให้ทันกับจังหว ะ, ะโอกาสที่ จะต้องรีบเร่งหรือพูดว่าน้ำน้าน้าขึ้นในรีบตักอย่างนี้เมื่อความโอกาสมาถึงแล้วก็จะต้องรีบใช้โอกาสตรงนั้นให้เกิดประโยชน์รวมถึงการใช้เวลาของบุคคลเราจะสังเกตว่าเราอาจจะรู้สึ ก, กว่าโลกนี่ไม่ค่อยยุติธรรมไม่เป็นธรรมอยู่เยอะหลายเรื่อง แต่ว่าสิ่งที่เราได้มาโดยความยุติธรรมแล้วก็เป็นธรรมเสมอเหมือนกันหมดนั่นคือกาละคือเวลาวินาทีก็เท่ากันนาทีก็เท่ากันชั่วโมงก็เท่ากันหมายความมาพูดในแต่ละขณะกันนะฮะแต่เวลาช่วงยาวของชีวิตมันก็ไม่เท่ากันเพราะว่าอายุคนไม่ได้ตายพร้อมกัน แม้บางครั้งก็จะเกิดพร้อมกันแต่ก็ไม่ได้ตายพร้อมกันปนัญหาสําคัญเรื่องการตักตวงเอาผลประโยชน์จากเวลามีความสําคัญอย่างยิ่งยวดปะถุชนเน้นเตือนว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปเคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการไปหลัง ในคราวหนึ่งที่มีการรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมกันสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนีมันมีข้อความเป็นนันมากที่ย้าเตือนในประเด็นตรงนี้แต่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะสังคมเราเป็นสังคมเกษตรกรรมและการทำนาจริงๆนะ่ปีหนึ่งมันทำไม่กี่เดือนอรอกเพราะเวลาว่างเลยมากการสมัยก่อนนี่ชัดเจนมาก สมัยนี้ที่เขาเก่งคือทำทานาปีหนึ่งสองบ้างถึงสามผลก็มีนะฮะแล้วบางครั้งอะไรเขาเรียกว่าสองปีห้าครั้งสองปีห้าห้าห้าคน แ, แสดงว่าใช้เวลาไปเกิดประโยชน์มากแต่บางทีก็ไปปัญหาเป็นปัญหาในที่อื่นคือว่าปิดผลมากไป ล้นตลาดความต้องการของตลาดมันไม่มากขนาดนั้นแล้วเราก็ผิดมากไปเสร็จแล้วก็ต้องเดินกระบวนปิดถนนเพื่อรัดประกัน ร, ราคาพืช น, นาของเขาก็ะทุกส่วนนะ่ยนะฮะเราจะเห็นว่าพวกพืชไร่พืชสวนพืช น, นาเนี่ยจะมีการเรียกร้องให้ประกันราคากันอยู่ตลอดมันก็มีปัญหาว่าความเพียนพยายามตรงนั้น มุ่งไปที่จะได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่มองถึงว่าความเหมาะความควรเนี่ยเรียกว่าพอดีเดี๋ยมันอยู่ตรงไหนแต่การมองปัญหาเหล่านี้ก็มองประโยชน์ที่มันมาถึงเช่นว่าเวลามันผ่านมาและผ่านไปก็สรุปว่าการผลัดวันประกันพรุ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนมันก็เป็นการขโมยเวลาของตัวเอง ในขณะที่คนหนึ่งได้ประโยชน์เนี่ยคนหนึ่งไม่ได้ประโยชน์บาที่เราเดินไปหรือว่านั่งรถไปแล้วก็สามารถชี้ตัวอย่างให้คนเขาดูได้เช่นว่าพี่น้องเราประเภทพวกกรรมกรพวกแกรรนาจนะสวนนั่ต่างไปกันมากแต่ทํางานเสร็จก็ตั้งวงกลองเล่าแล้วกรรมกรทํางานเราอื่นนีจะมีลักษณะยอย่างนั้นแต่พวกตั้งวงกลองเล่าเนี้มันมีเยอะอะไรอนี้ ในขณะที่คนซึ่งเขามีการศึกษาดีทํางานมีตําแหน่งสูงเงินรายได้มากกว่าเนี่ยเขากลับไม่ไปดื่มเหล้าเพราะเราจะเห็นว่ารายได้มันต่างกันนั่นหนึ่งแล้วรายจ่ายมันเกิดต่างกันดีคนกลุ่มหนึ่งรายได้น้อยแล้วก็จ่ายในเรื่องที่ไม่ควรจ่ายแล้วก็เป็นการบ่อนทาําลายการเวลาของตัวเองทําลายสุขภาพประหลาดามัยของตัวเองทําลายความสุข ซึ่งเกิดขึ้นจากการแท้าจทราบที่ควรจะเฉลีย่ยแบ่งปันกันภายในครอบครัวให้ทุกคนได้อยู่ดีมีสุขตามท้องคนกันฐานะมันก็ตกออกมาปลนปลื้มตัวเองโดยการไปดื่มแบบเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยสิ่งเสพติดทั้งหลายนั้นก็แสดงว่าเวลาปนประโยชน์มันมาถึงแต่เราก็ปล่อยประโยชน์นั้นะให้มันผ่านพ้นไปด้นนี้ใน ในกรณีนี้จึงไปยุติด้วยหลักการใช้เหตุผลท่านฟัง ค, คงนึกออกเรื่องของเรียกว่าสับริสธรรมมันเป็นการพูดถึงความรู้จักเขตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลหมายความว่าทีเดียวก็ต้องครบหมด6 ข, ข้อ เหตุผลเนี่ยเหมาะควรแก่กรณีดนั้ น, น, นแล้วก็ฐานะของตนในขณะเดียวกันมันต้องดูความเหมาะความควรมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีก็เรียกว่าหอยู่ในจุดพอดีแล้วก็ต้องดูกาละเทสะเขาไม่พูดนะเพราะว่ามันมีกาละอยู่แล้วจริงๆกาละกับเทสะเนี่ยต้องสัมผั์กันด้วยบางอย่างกาละมันให้เวลามันให้แต่สถานที่มันไม่ให้ บางบางเวลาในสถานที่มันให้แต่เวลาไม่ให้เราต้องต้องมองถึงเทศะด้วยแม้ท่านจะไม่พูดไว้นะแล้วก็รู้จักกลุ่มคนรู้จักบุคคลหมายความว่าการกระทำงานของเราก็เหมาะเจาะแก่กเรื่องกรณีเหล่านี้เป็นการขยันในเรื่องที่ควรขยัน ว่าประโยชน์ตรงนี้มันมีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยบางทีสํานวจอะไรเรียกว่าชิงลงมือชิงประพฤติปฏิบัติช่วงชิงโอกาสช่วงชิงจังหวะเตรียให้ได้มาถึงผลประโยชน์แต่หมายความไม่ได้ชิงของคนอื่นนะฮะเพียงแต่ว่าใช้เวลามันสัมพันธ์สอดคล้องกับเรื่องต่างๆกรณีที่มันจะเกิดประโยชน์เราก็ใช้เวลาไปสอดคล้องกับเรื่องดังนั้นปัญหาของชีวิตเราเมื่อเราเล่าโดยสรุป โดยเหนุว่ามันมีคําเดียวคือคําว่าทุกคําเดียวอย่างที่พระยาทรงแสดงไว้ในอริยสัจมันมีความทุกข์ทั้งส่วนที่เป็นสภาวะทุกข์แล้วก็ส่วนที่เป็นทุกจรเข้ามาจะสรุปว่าปัญหาทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความทุกข์เพียงแต่ว่าเราจะกระจายทุกยังไง่ะภัยบางก็เป็นทุกนะโรคมันก็เป็นทภพทุก การพาดพก็เป็นทุกข์การได้มากๆ ก, ก็เป็นทุกข์กินมากๆก็เป็นทุกข์อะไรอะ่รเนี่ยมันทำมันมันเกินไปแล้วก็มากเกินไปนอนเกินไปก็รุ้แล้วจะเป็นทุกข์ดังนั้นเพราะทุกข์เนี่ยเป็นปัญหารูปยอดบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าปะเหตุแห่งทุกข์ได้จะได้ความสุขในที่ ท, ทงปวงนี่ก็หมายความว่าจะต้องใช้ปัญญามากเป็นพิเศษ ต้องวิเคราะห์กระบวนการเหล่านั้นชัดเจนสิ่งนี้เมื่อเกิดสิ่งนี้จากสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้จากสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้มองยาวไปจนถึงผลที่เกิดแล้วก็เห็นชัดเจนว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นแต่ว่าผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความเพี่ยนไปอยา่างดังนั้นก็ส่งสอนว่า คนล่วงทุกไปไม่ไปไปได้เพราะความเพียรเราคุ้นๆนานะคำนี่เราคุ้นมากวิริยณนะดุกมัเจตินี่คนล่วงทุกได้เพราะความเพียรแต่เป็นเรื่องที่น่าหวงใหญ่วันก่อนในอ่านข่าวว่าคนไทยเราเริ่มออกต่างประเทศเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนือไปเที่ยวต่างประเทศกันจังมันก็ ลองถามเขาดูนะลองถามพวกนักธุรกิจดูว่าทําไมทำไมว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทําไมคนไปเที่ยวกันจางแล้วทําไมรถป้ายแดงมันเยอะหรือเปละาราคาแพงๆเขาก็ให้เหตุหตผลเดี๋ยวนักธุรกิจนะแต่จริงเทสยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเพราะว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยดอกผลมันนิดเดียวก็ได้ก็เหมือนก็ไม่ได้ก็เอามาใช้สอยเสียหมด ก็ยังไงก็เป็นสบัติของตัวส่วนหนึ่งก็เลยไปเที่ยวซะเลยเพราะคนประเภทนี้ที่จริงคนมีเงินเหลือใช่นะแต่ว่าก็ไปอยู่ในธนาคารมันก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็หาความสะดวกสบายแก่ตัวเองดีกว่านึกอย่างนั้นดูแลว้วมันก็น่าเห็นใจนะครับแต่ถ้าเรานึกถึงประเทศที่เป็นองค์รวมก็น่าพวงใหญ่ เพราะว่ายามที่ชาติบ้านเมืองมันมีวิกฤตการในลักษณะนี้แล้วเราก็ขาดแคลนขาดแคลนเงินตราต่างประเทศแล้วก็ขนออกกันมันก็น้าห่วงเหมือนกั น, นความเพียรพยายามในตรงนี้ถ้าจะมีก็ต้องเพียรพยายามอดกลั้นอดทนอดออมก็ในลักษณะที่เรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเลย เพราถ้ า, ากว่าปล่อยกายปล่อยใจเลื่อนไหลไปตามกระแสความอยากที่บงังเกิดขึ้นแล้วมันก็มีปัญหาแลวปัญหานั้นค่อนข้างจะหนักด้วยใ น, นความเพียรบางอย่างจึงเป็นการเพียรลดตัวเองเราอาจจะประสบความทุกข์ทรมานเพราะตามหลักของความเป็นจริงแล้วความเพียรพยายามก็เหนื่อยดังนั้น น, นะนะคือท่านบอกว่า ถ้าไม่เอาความทุกข์มาลงทุนแล้วเราจะได้ความสุขมาจากไหนขอการไปรบัตดภารกิจการงานทุกเรื่องแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเกือบตายเลยทำไปนะเกือบจะสิ้นประโชน์เนี่ยทำไปเราแสดงว่าผลสูงสุดเนี่ยความเพียรจะต้องสูงสุดเราต้องการจะพ้นความทุกระดับไหนล่ะถ้าความทุกข์ยิ่งสูงการพ้นทุกระดับสูงความเพียรก็ต้องยิ่งสูง แ, แล้วก็แปลคือสังคมนั้นจะมองยอมรับไม่ได้หรือทำใจไม่ได้และมักจะมองกันด้วยความริษยาเช่นบางคนบางคนก็มีความเจริญก้าวหน้าเขาประสบความเป็นสำเร็จมีผลงานดีเด่นแล้วก็จะถูกริษยาจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ทํางานทําการอะไรในสมัยที่เรียนก็ไม่เรียนในสมัยที่ทํางานก็ไม่ทํางานเสร็จแล้วก็เกิดมากมากอยากใหญ่ อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้นอยากส่วนมากอยากใหญ่อะ่ะไม่อยากทําแล้วเพราะทําให้เป็นเนี่ยคนเหล่านี้มันก็ขี้เกียจมานะตนนั้งแต่ต้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจนะสังคมเนี่ยมาสลดใจว่าคนบางคนนี่เกิดมาเอารัดเอาเปรียบสังคมกันเราไม่เรียนไม่ทํางานไม่ปฏิบัติหน้าที่หาความสะดวกสบายประจบประแจงไปรเรื่อย แต่ก็มุ่งหวังหาความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเองแล้วมันโกรกมันกลวงข้างในงานการก็ดูแล้วก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการผลเป็นความสุขสูงหรือพูดง่ายๆว่าต้องการลาบยศสรรเสริญมากเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างโดยธรรมชาติแต่ว่าคนก็ยังหลงประเด็นในการใช้ชีวิต ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเน้นไปถึงข้อหนึ่งว่าคนมีธุระมั่นหมายความมีความรับผิดชอบสูงธุระมั่นก็หมายความว่ามาีมีธุระอะไรที่จะต้องจับจองทำและทำจริงอย่างที่โบราณท่านใช้คําเดียจะให้มั่นคันในตายหมายให้วอดช่วยให้รอดรักให้ชิดผิดสมยัยคืออะไรก็เอาตามเอาจริงเลยตัดได้ขาดปรารถนาหาสิ่งใด จิตใจมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวหมายความว่าทำอะไรก็ทำจริงเลยทําไม่ทำคือไม่ทำแต่ถ้าทำแล้วต้องสำเร็จอ่านหนังสือก็ต้องอ่านจริงขเขียนหนังสือก็ต้องเขียนจริงทำงานก็ต้องทำจริงแึงแน่นอนว่าเอาควจริงบางทีมันก็อาจจะทรมานทุรกรรมร่างกายมากไปหน่อยแต่ว่าร่างกายที่จริงเนี่ย ถ้าเอาใจมันนักมันก็ไม่ไหวบองกันแต่ถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่เลยก็ไม่ดีบางกันก็พอสถานสถานประมาณนะฮะแต่ว่าการประกอบธุระมั่นเนี่ยคือเอาจริงเอาจังแน่นอนร่างกายต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเมื่อยลา้าต้องเป็นปกติธรรมดาแต่อย่าลืมว่ามันความสบายมันรอยอยู่ข้างหน้าเพียงแต่ว่าทำยังไงทางานได้เหมาะสะ คือมันมันถูกกาลกเทศาถูกกลุ่มคนถูกบุคคลถูกกรณีตามความจำเป็นที่บังเกิดขึ้นติณชาดกพิท่านเล่าถึงคนชา้ของเศรษฐีคนหนึ่งสามารถตั้งตัวได้โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขายหนูเพียงตัวเดียวแต่ว่าวิธีการของท่านเนี่ยมันได้จังหวะพอดี แดี๋ยวก็เงื่อนไขต่างๆก็มีลักษณะค่อยๆค่อนข้างจะบีบไปนะฮะเดี๋ยวถ้าเริ่มถ้าเริ่มด้วยการขายหนูไปให้แกเจ้าของแมวแล้วก็ตายเรื่อยๆไ ป, ไปนะฮะไปสมัครพักพวกไปเดี่ยงดูพวกอะไรและพวกตัดหญ้าบ้างแล้วขอหญ้าเขาแล้วก็ตัดไม้เกิดพายุไม้หักโค่นก็ไปขอเขาแล้วก็ หวานพรกพวกก็ช่วยก็ตัดมันตอ่อแล้วมาขายอะไรตัอไห้เดินกัไปเรื่อยคือจังหวะนี่มันดูความต้องการแล้วเคยเจอคนคนหนึ่งแต่เราก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่คือสุบรรอรัสเราเปรียบมากเกินไปคราวหนึ่งท่านคงนึกออกฮะตอนวาตาัยพติผักตายเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่เขาทำรงสีแล้วก็ ก็ยังไม่มีสมัค ร, รพวกพวกอะไรทไอะไรนะก็สีข้าวมีต้นทุนในการซื้อข้าวมาแล้วก็สีแต่ก็สารก็กองเป็นปูกเขาระกายอะไพได้จังหวะเนี่ยมันเกิดวัดอภัยขึ้นมาการคามนาคมอะไรก็ปนปี้หมดความต้องการข้าวเนี่ยมันต้องการจนเรียกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ราคาข้าวมันขึ้นไปมรดกิีเท่าตัวต่อกระสอบแล้วคนนี้ก็รวยรวดเดียวนะะรวยกันรวดเดียวไปได้เลยแต่ว่าถ้าเราลองนึกดุ้มก็พูดยากนะคือสังคมเนี่ยเราก็จริงก็พูดยากสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งเอาแหละจะซื้อข้าวสารจะขายข้าวสารตามราคาปกติเนี่ยและเสร็จแล้วคนมันก็แย่งซื้อไปหากำไรแต่ทั้งโครมันก็เป็นอย่างนั้น แล้วก็ทำให้พวกเหล่านี้ฉกฉวยโอกาสขูดรีกคนอื่นแต่เราจะช่วยไปเลยมันก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะรักษาคุณธรรมไว้ด้วยแล้วก็ตนเองก็ได้เงินตามเหมาะตามควรไม่ใช่ว่าไปซ้ำเติมในขณะที่คนเขาประสบความทุกข์ยากลำบากบรรดาหเหล่านี้บางทีเราก็มอง ก็สลดนะฮะสลรดรถถูกนี่ข่าวคราวหนึ่งไปข่าวเล็กๆ็แต่ว่าคนมาบอกนคือถ น, นนมันขาดเกิดว่าตภัยเนี่ยถนนมันขาดเกิด น, น้ำหลากแล้วถนนตรงหนึ่งมันไม่ถึงก็ขาดก็เรียกว่าไปได้แต่ว่ารถสามารถที่จะค่อยๆไปได้แต่ก็มีคนมาแอบพังถนนตัวนั้นเลยเลยขาดจริง ประกาศจริงแกก็เรือมารับคนโอ้แกชาติอดแย่เลยล่ะและในที่สุดก็ปรากฏว่าทางบ้านเมืองหรือใครก็ไม่รู้นะก็จัดการยิงทิ้งเลยเราก็นึ ก, กว่าเอยคนยิงก็หาเหรือโหดเกินไปนะแต่แม้แต่คนที่ไปพังถนนเพื่อไปขูดรีดคนที่กำลังตกทุกข์ก็เกิดไป เลยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนอกจากว่าเป็นเรื่องเป็นไปตาคธรรมเพราะนั้นำ ค, ำความเพียรพยายามจึงเน้นไปที่แนวสมมาวยามะเพียงแต่ว่าก็ให้มันเหมาะสมแก่กรณีเกิดเราจะเห็นว่าการผิดแม้กราผิดสินค้าบางอย่างในขณะที่ตลาดเขาไม่ต้องการเนี่ยอย่างนั้นก็เป็นการทําลายตัวเองในกระบวนการของความเพียรจึงต้องมีปัญญาอยู่ตลอดอย่างที่บอกไว้นะฮะ ว่าอาตาปีสัมปญโนสติมาธรรมะสามข้อเนี่ยความเพียนสติสัมปญญะหรือความเพียนสติปัญญาเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเราเพียรพยายามไปโดยไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วก็ได้ผลอะไรในที่สุดมันก็สู่เปล่าอย่างที่ท่านเล่าถึงว่าคนคนหนึ่งก็ถือเขาต้องเดินตรงไปเลย พอไปถึงชนต้นไม้เอาก็เจาะต้นไม้ทําเป็นช่องรอดเข้าไปอันนี้กูโง่ไม่รู้เรื่องเลยคือมันไม่ซื่อตรงแต่ว่าซื่อบือ้อเป็นเป็นตำมองที่ท่านเล่าให้เป็นอุทาขรคือโบราณท่านเล่าอย่างแนวหยิบกระเชือครอมเสาอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเป็นความเพียรพยายามแต่มันโง่พอหยิบกระเชือครอมเสาก็ปรากฏว่าหยิบไม่ได้ก็ต้องตัดเสา ปัวก็ง้อเมียก็ง้อเมียหยิบนะแต่ว่าปัวก็หาทางออกให้ไม่ได้ก็เลยต้องตัดเสาเพื่อมอมือเมียออกมาที่จริงก็ปล่อยมือเสียข่างหนึ่งก็พอแล้วมันก็หยิบได้แล้วนะอันนี้ก็คือเป็นความเพียรพยายามที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องมือประกอบในการกระทำในการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็เป็นการพลาพานตัวเองแล้วไม่เหมาะสมแก่กรณี ไม่เหมาะสมแก่กาละไม่เหมาะสมแก่เทสะไม่เหมาะสมแก่กรณีเป็นการลงทุนมากแต่ว่าได้ผลน้อยแล้วมันก็จะประจานตัวเองด้วยเพราะการใช้ความเพียรจึงต้องเป็นความเพียรชอบแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งคือต้องมีสติมีปัญญาเป็นหลักในการกํากับทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันหรือว่าเรื่องที่ปฏิบัติพัฒนาด้า น, นจิตใจก็ตาม ทั้งฟังทหลายแต่รูประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความกริญงงอกหามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทักวกันสวัสดี